ดาวเพราพระนาภาร์ตาวันเดือนรับดาวสุขใสชายสองลาฟานีรันการมีเพื่อจอจงเคลื่อนโคจขอสศร พาขัอยามคำคือเผาไม่ตนเองสว่างส่องใครใครไม่ขัดโทษเครื่องพร้อมพลีชีวันอนิธานไม่สิ้นเมตตาแรพรวดาวเนื้อชัดชาวาน สมชาลมฝนสืบต่องานฝาสำร่วมตอนจริงใจให้คบไฟเสืบต่อยังรักลึกกิจอาริยาพึ่งมุงมั่นสืบชันใหญ่ไฟกายชีพฉัน สิ้นสูนน้ำชนดาวแสงมีรันพึ่งมุมมันสืบฉันใหญ่ไฟกายชีพฉันสิ้นสูนน้ำชนดาวแสงมีรัน สตยังรักลึกกิตอาริยาพิ่งมุงมันสืบฉันใหญ่ไฟกายชีพฉันสิ้นสุด น, น้ำชนเก้แสงฮีรันพิ่งมุงมันสืบฉันใหญ่ไฟกายชีพฉัน s i h u n a n dao i n p u a u s a n g m